นาฎิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าวไเอเอ็นค่ะรัฐบาลย้ำแผนกระจายวัคซีนทุกคนทุกจังหวัดทุกกลุ่มอาชีพจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน นางสาว ร, รัชดาธนาดิยรเกรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแผนการกระจายวัคซีนโควิดสิของรัฐบาลผ่านพอร์ชแคทไทยคู่ฟ้าว่ามีเป้าหมายฉีดให้คนไทยอย่างน้อยร้อละเจให้ครบ2เข็มภายในสิ้นปีนี้วัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นหลักฉีดให้คนไทยทั่วประเทศโดยแอสตราเซเนกาทั้ง61ล้านโดสจะไม่ได้เข้ามาพร้อมกันทีเดียวแต่จะทายอยเข้ามาเป็นช่วงๆการกระจายวัคซีนก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งตอนนี้สอบคอได้ปรับแผนการกระจายวัคซีนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลที่มีการระบาดมากกว่าร้อยละหของจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดนอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อนําร่องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มโดยใช้พื้นที่ภูเก็ตเป็นจังหวัดนําร่องซึ่งก็มีการปูพรมฉีดวัคซีนไปแล้วในพื้นที่ภูเก็ตใกล้ครบร้อยละ70ของคนในพื้นที่แล้ว นอกจากนี้จะเป็นการฉีดให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงกับบุคลากรด่านหน้าหรือกลุ่มอาชีพที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคทางนี้นางสาวรัชดายํานะคะทุกจังหวัดทุกกลุ่มงานทุกอาชีพจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนส่วนการจองคิววัคซีนนั้นขออย่ากังวลไม่มีอะไรซับซ้อนแม้ทางสบคจะชะลอการจองคิววัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมออกไปก่อนแต่ประชาชนก็สามารถจองผ่านช่องทางอื่นๆได้ ส่วนจุดฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมเปิดพื้นที่สถา น, นีกลางบางซื่อเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลสามารถลงทะเบียนผ่านระบบมือถือทั้ง3าค่ายที่ให้บริการทั้ง AIS D Tag และ True ซึ่งก็จะให้บริการสำหรับทุกคนที่ทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมสำเร็จไปแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์ให้ไปตามวันเวลาเดิมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ต่อกันที่ประธานหอการค้าเผยประชาชนคลายกังวลวัคซีนโควิดหลังออยอขึ้นทะเบียนซนโนฟาร์มเร่งนำเข้าล่าสุดก็เปิดจุดที่ในกรุงเทพมหานครได้21จุดแล้วนายสนั่นอังอุบลกูรประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวอเคว่า เวลานี้ความพร้อมในการเข้ารับวัคซีนของประชาชนมีมากขึ้นและอาจมีความกังวลว่าจะมีวัคซีนเพียงพอกระจายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงในเดือนมิถุนายนยนี้หรือไม่แต่การที่สำนักาน ง, งานอาหารและยาหรือออยได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนของซ i โนฟ h ร์มนำเข้าโดยบริษัทไบโ g จ n เ t e c h จำกัด เป็นวัคซีนโควิด19รายการที่5ของไทยเรียบร้อยแล้วทำให้ความกังวลของประชาชนลดลงได้และคาดว่าจะนำเข้าได้ในเวลาอันรวดเร็วตามขั้นตอนการเจรจาการจัดซื้อ และสำหรับการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของห อ, งองการค้าไทยที่ร่วมกับกรุงเทพมหาคนครนั้นล่าสุดสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้แล้ว21จุดจากทั้งหมด25จุดส่วนที่เหลือคาดว่าจะทยอยเปิดให้ครบก่อนที่จะมีการกระจายวัคซีนลอบใหญ่อย่างแน่นอนซึ่งจะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนได้มากที่สุดถึงวันละ 5,000 50, คน ปีท้ายกันที่องค์การอนามัยโลกค่ะเลื่อนการรับรองซ i โนแวคพร้อมขอข้ อ, ขอมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิตคาดว่าน่าจะพิจารณาอนุมัติเร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนนี้ สำ น, นักาต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ร้องขอให้ซ i n o v ว c Biotech ผู้ผลิตวัคซีนโคโรนาแวกหรือ s i n o v ว c ของจีนส่งข้อมูลความปลอดภัยและกระบวนการผลิตของวัคซีนเพิ่มเติมก่อนจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนตัวนี้เป็นตัวที่สองของจีนหรือไม่ซึ่งคาดว่าจะเร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนนี้ โดยรายงานของ WHO ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและรายละเอียดที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่บริษัทใช้ว่ามีกระบวนการที่มีคุณภาพตรงตามที่ WHO กำหนดสำหรับการอนุ ญ, ญาตหรือไม่ทางกางกระแสกดดันจากนานาชาติเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนเพราะเกิดความไม่สมดุลของวัคซีนที่มีอยู่ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจนเนื่องจากวัคซีนที่ได้รับอนุ ญ, ญาตฉุกเฉินรายอื่นๆก็สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการปิดช่องว่างดังกล่าว ทางนี้ซิโนแวกถูกใช้ในบางประเทศในเอเชียแล้วเช่นเดียวกับทวีปอเมริกาใต้เม็กซิโกและยุโรปซึ่งภายในเดือนเมษายนซิโนแวกรายงานความสามารถในการผลิต2 0 0พล้านรถสต่อ ป, ปีผ่านโรงงานการผลิตหลายแห่งในประเทศจีนรวมถึงการวางกำลังการผลิตในบราซิลและท้ายที่สุดก็คือที่อียิปต์จบการเสนอข่า10นาินาทีค่ะ